ก้างที่ไปผู้ที่ไหนเนี่ยจะต้องมีคําถามจากข้อประโยชน์อย่างเช่นว่าการกระโดดน้ําเพียงแค่นี้นะกระโดดน้ํำลงไปในสระแวดน้ําแล้วมีผลทําให้ต้องถึงกับพิการตลอดชีวิตได้หรืมีสิ่งสิ่งที่อยากจะแบ่งปันคือขณะที่ผมกระโดดน้ําลงไปเนี่ยพอศีรษะกระแทกพื้นแล้วกระดูกหักแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าเราเนี่ยอ่อนแรงลงไปเลย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 ทันทีที่คิดถึงว่าเราจะต้องตายที่สาวยน้ำนี่เนี่ยมันมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่คนใกล้าตายเนี่ยไม่จะเกิดขึ้นในตอนนั้นคือภาพในอดีต่างๆที่เราเกิดความประทับใจทั้งในด้านดีแล้วก็ในด้านไม่ดีเขาจะปรากฏขึ้นในตัวเราในจิตใจเราทันทีเลยนั่งก่อนคนที่จะตายเนี่ยจะมีภาพแบบนั้นคนเคยทาอะไรมาเนี่ยสิ่งนั้นจะปรากฏขึ้นในจิตใจเรา ความดีเราก็ทําความชั่วความผิดเราก็เคยทํามาเขาจะปรากฏเกิดขึ้นแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยมันเสมอกันมันจะไม่รุนแรงคือสิ่งที่ประทับใจในความดีความชั่วจะไม่รุนแรงเพราะผมเองเนี่ตั้งแต่จำความได้เนี่ยผมไม่ค่อยทำความชั่วมีแต่นี้นิดหน่อยแต่ไม่เคยมีความรุนแรงหนักขนาดที่จะแสดงออกก่อนที่เราใกล้ตายความดีก็ไม่เคยทํามาก ไม่เคยประทับใจขนาดที่ว่าก่อนตายจะนึกถึงขึ้นมาได้ก็เสมอกันแต่ว่าภาพเด็กจะวายมากเลยปัป๊บวัยมากจนกระทั่งมาถึงในปัจจุบันที่เราเป็นอย่างงี้เพราะเรามากระโดดน้ำเริ่มเขา้าใจอ๋ยเรากระโดดน้าลงมาแล้วเราจะมีสภาพอย่างนี้อยู่ในสระว่ายน้ำใกล้จะตายแบบนี้แต่ก่อนสุดท้ายเนี่ยก่อนจะไม่รู้สึกตัวเ่ยนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ ย้อนนึกถึงผู้มีพระคุณคือคุณพ่อคุณแม่ถ้าท่านรู้ว่าเราต้องมาตายในสาวัยนานเนี่ยถ้าคุณจะเสีย ใ, ใจมากพย้อนถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็ค่อยๆกลืนน้าลงไปค่อยๆตายทีละน้อยๆตื่นน้าลงไปจนทั้งหมดความรู้สึกไปเลยมารู้ตัวอีกทีหนึ่งก็มีคนมาช่วยเรา ลูกศิษย์ที่อยู่ในเหตุการณ์อาจารย์ที่สอนอยู่ด้วยกันเนี่ยช่วยเราขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาอ๋อนี่เราไม่ตายก็ช่วยปฐมพยาบาลปฐมพยาบาลมากมายเอาน้ําออกจากปอดเขย่าตัวสารพัดอย่างเอาแบกหลังแล้วก็ค้อยหัวลงนะเขยา่าเขยา่ขยาเพื่อให้เอาน้ําออกจากในท้องเราและในปอดมีการผายปอดประฐมพยาบาลขั้นต้นเนี่ยพร้อมเลย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 นึกถึงผู้มิพาคุณเนี่ย <c oughs> คุณพ่อคุณแม่เนี่ยคืออัลหาหันของเรานึกถึงท่านเนี่ยท่านไม่เรารอดจากตรงนั้นมาได้ท่านเคยได้ยินข่าวที่นานมาแล้วที่ตึกถลม่มที่โคราชตึกถล่มลงไปเนี่ยมีคนติดอยู่ในตึกแต่เขารอดมาได้เขานึกถึงในหลวงจึงรอดชีวิตมาได้เพราะฉนั้นอันเนี้ย เราทุกคนถ้าจิตสุดท้ายเรารู้ว่าจะตายหรือนึกอะไรไม่ออกนึกถึงผู้อิปภูมิคุณนึกถึงผู้อิปภูคุณเอาไว้ยิ่งคนที่มีบุญคุณมากกับเราเนี่ยมีคุณธรรมมากเนี่ยคนนั้นจะพาเรารอดได้นะเนี่ยอย่างตอนนี้อีกไม่นานเนี่ยโลกของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในเมืองไทยเคยดีนข่าวไหมจะมีวิกฤตอะไร แ, แปลกๆที่เราไม่เคยพบ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 เ้าก็พิการตลอดชีวิตเราคงจะไม่ทําแน่นอนแต่ตอนนั้นประมาทขาดสติรู้เท่าไม่ถึงการสิร่งเนี่ยจริงมา น, งนําเสนอว่าไม่ควรประมาทไม่มั่นใจอย่าเพิ่งทําและระยะหลังเนี่ยมีคนที่พิการผมก็มีเยอะไปกระโดดน้ําในน้ําตกไลกระโดดน้ําที่หาดทรายหาดทรายนี่เราอยู่บนเรือนะกระโดดลงไปเนี่ยถ้าหากว่าไม่ลึกพอแล้วก็มีโอกาสพิการ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 ชีวิตที่ว่างเปล่าเนี่ยโอ้โหเนี่ยทรมานมากเครียดเพราะการทํางานเนี่ยดีกว่าเครียดเพราะไม่มีงานทํานะถูกดีแล้วที่พวกเรามีงานทํามันเครียดบ้างเรื่องธรรมดาแต่ถ้าไม่มีงานทําเนี่ย โ, โหจิตมันฟุ้งซ่านความคิดมันกินหัวมันทุกข์มากคนที่ฆ่าตัวตายเพราะไม่มีงานทําเนี่ยมากกว่าคนที่มีงานทําแล้วเครียดเพราะฉะนั้นมีงานทําดีแล้วถ้าหมดงานแล้วไหมแล้วก็มันจะ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 จะต้องมีคนชมเรานั่นคือผลของความดีอันนั้นถูกแล้วแต่ว่าเป็นผลที่มันไกลตัวเรายกตัวอย่างถ้าเราคิดถึงคุณแม่พอคิดถึงคุณแม่เนี่ยเราคิดดีไหมดีใช่ไหมคิดถึงคุณแม่เนี่ยคิดถึงพลังหันในบ้านเลยนะคิดถึงคุณแม่เราคิดดีแล้วแล้วจําเป็นหรือว่าผลคือคุณแม่ต้องคิดถึงเราในขนาดนั้น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 เรากอดคุณแม่ด้วยความรักเราทําดีหรือยังดีแล้วใช่ไหมแต่บาีคุณแม่ไม่ก่อนเราก็ตอแล้วลาคาญอันนั้นคือผลที่ร่างกายคือผลฝ่ไยได้เรานําของแม่ให้ท่านอ๋อนี่คุณแม่ดีนะอาหารเสริมคุณแม่ทานมากมากบทีท่านก็ไม่ได้ทานแล้วท่านก็ไม่ชอบแต่เราทําดีแล้วเมื่อเราพูดดีแล้วคิดดีแล้วทําดีแล้วมันก็ดีแล้วในตัวอย่าเพิ่งไปรอผล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 ให้นี้แต่ถึงที่เรากาลังทำดีอยู่เนี่ยเรากาลังรอรับผลเมื่อบาปส่งผลเรียบร้อยแล้วเนี่ยผลของบุญเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นนั้นที่เราเห็นว่าเอ๊ะทำไมเขาจึงทาความดีแล้วทำไมจึงเป็นทุกข์เพราะว่าเขากาลังได้รับผลของบาปอยู่แต่บางคนเนาทไมทำความชั่วทำไมมีความสุขนั่นเขากาลังได้รับผลบุญอยู่เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนแปลง จากบุญเป็นบาปจากบาปเป็นบุญ ท, ทันทีเลยขณะที่กำลังทรงผลนั้นเพราะฉะนั้นเราเพื่อความไม่ประมาททาดีไว้ก่อนทําดีไว้ก่อนพูดดีคิดดีไว้ก่อนปลอดภัยมากการทําดีคืออะไรทําแล้วไม่เบียดเบียนตัวเองและก็คือื่นให้เดือดร้อนถือว่าทําดีการพูดดีคือพูดแล้วเราเองก็ไม่เดือดร้อนคนฟังก็ไม่เดือดร้อนอันนี้คือพูดดีใช่ไหไว้ก่อนเพื่อความไม่ประมาทเลยเข้าใจาตรงนี้เลยอ๋อ ลูกมะม่วงตัวเองมะม่วงปลูกมะม่วงไม่ไปต้องได้เงินไอเ น, นี่ยถือว่าประเด็นสําคัญมากชีวิตเราเนี่ยมีสองอย่างคือความสุขกับความทุกข์อันนี้เป็นศาสนาธรรมนะคือของจริงคือมีความสุขกับความทุกข์ถ้าไม่สุขเดีมันก็ทุกข์ถ้าไม่ทุกข์ก็สุขเป็นอย่างนี้แหละมันมีความเปลี่ยนแปลงที่ไม่คงที่คนที่เข้าใจศาสนาธรรมข้อนี้ชีวิตจะมีความสุขจะไม่มีทุกข์เลยเวลาเศรษฐกิจ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 แล้วมีใครไหมที่มีความทุกข์ตลอดชีวิตไม่มีความสุขเลยีเราทุกอย่างเมื่อเกิดความสุขแล้วดวมะก็ผ่านไปเห็นไหมเมื่อเกิดความทุกข์แล้วมันก็จะผ่านไปมันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะพวกเราถ้าเกิดความสุขขึ้นมาเนี่ยให้เรารับรู้ว่าความสุขนี้ก็ไม่เที่ยงหรอกดิมะก็ผ่านไปอย่าประมาทแล้วก็อย่าหลงและเลยกระทั้งลืมเนื้อลืมตัว เตรียมตัวเตรียมใจว่าต่อไปเนี่ยอาจจะมีความทุกข์ก็ได้ใช่ไอันนี้ตั้งหลักเลยเวลาใจมีความทุกข์ปับ๊บอ๋อทุกข์นี่อยู่ไม่นานแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วก็จะกลายเป็นมีความสุขถ้าคนเข้าใจสัจธรรมข้อเ น, นี้ยคือความเปลี่ยนแปลงเนี่ยชีวิตเนี่ยจะไม่เศร้าหมองนะจะยอมรับได้ทั้งความสุขและความทุกข์อันเนี้เป็นสัจธรรมบางคน้ขาคิดว่าเนี่ยเราต้องเป็นทุกข์ตลอดชีวิตแล้วล่ะชีวิตเราแย่เลย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 เราชอบอาหารที่อร่อยที่สุดอ่าสมมติว่าชอบส้มตำถ้าลองกินเนะ่ช้าส้มตำเย็นตำส้มกินทุกวันเนี่เบือ่อหของที่ว่าเราอร่อยนะเรากินทุกวันนะเดี๋ยวก็เบือ่อเห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่าปักใจว่านี่ละอันนี้ละแน่นอนที่สุดเลยสิ่งที่แน่นอนไม่มีนะมีหมคำว่าถาวรเนี่ยมันถาวรจริงไหม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 ดูที่ใจเราแล้วมันจะหายไวถ้าไปดูคนอื่นแล้วก็มันจะปรุงแต่งให้โกโรธ ด, ดักยิ่งขึ้นต้องมีสติรู้ทันแล้วสติเนี่ยมันจะหาหนะความกวโกรธไปคนลครึง่งสติออกมาห้าสิบความโกรธเราไปห้าสิบถ้าสติมากยิ่งขึ้นนี่มันจะหายไปเลยนะไอเนี่ยเป็นการเอาชนะใจตัวเองเกิดความอยากได้อะไรขึ้นมาเนี่ยอย่าเพิ่งซื้อมือถือรุ่นใหม่รถรุ่นใหม่อย่าเพิ่งซื้อ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 ถ้าเป็นงานที่พัฒนาชีวิตเราก็ทำไปเถอะเป็นงานที่มีประโยชน์มีคุณค่าทำไปเถอะอย่างน้อยงานที่เราทาเนี่ยก็เป็นงานสุจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ได้เบียดเบียนใครก็ถือว่าใช้ได้แล้วมีประโยชน์แล้วรักงานที่เราทานะเราจะกระตือรือร้นเจียรทำก็จะมีความขยันก็จะมีความสุขกับการทำงานแต่สิ่งหนึ่งก็คือ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 ถ้ามีรายได้มากใช้มากมันก็หมดถ้ามีรายได้มากใช้น้อยมันก็เหลือสำคัญที่รายจ่ายแล้วรายจ่ายมันจะหายไปจากไหนจากการเที่ยวการดื่มสุรายินยาเสพติดสิ่งเสพติดและเล่นการพนันอันนี้คือจโจรป้นรั์เท่าไหร่ก็ไม่พอการพนันสิ่งเสพติด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 จะทำให้คนนั้นเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกว่าฉันนะั้นนั้นเวลาเจออุปสรรคอย่าท้อแท้อุปสรรคในการใช้ชีวิตในการทํางานอย่าท้อแท้จงฝ่าฟันไปสร้างนี่ที่จะ ก, กระตุลล้นโดยการท้าทายสร้างนี่ที่จะท้าทายมันกระตุลล้นแล้วต่อไปชีวิตเนี่ยจะดีขึ้นโล่งโลดลุ่งเรืองขึ้นมีหลายคนที่ชีวิตประสบผลสาเร็จ เพราะเขาเจออุปสรรคแล้วก็ไม่ทอแท้ฝ่าฟันไปนี่มันก็ผ่านไปนําพาชีวิตเราเนี่ยสู่ความผลสําเร็จได้ไง่ายอันนี้ถือว่าสําคัญมากแล้วการทํางานด้วยกันเนี่ยจะให้มีความสุขนั้นเราต้องเข้าใจกันการมีสติดูตัวเราเสมอเสมอเนี่ยถ้าไม่เราเข้าใจคนอื่นเข้าใจคนอื่นเข้าใจตัวเรา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 จิตจกระตือรือลน้นแต่จิตคิดอยากได้ของเขาเนี่ยมันลุกลี้ลุกลนนะนั้นคนที่ให้เนี่ยจึงมีความสก็กคนที่อยากได้นั้นควรจะให้มากาให้นาใจอยู่ด้วยกันเนี่ยใครก็ตามที่ประสบผลสําเร็จในชีวิตประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานเราอย่ามัวรอช้ารีบ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 อันเนี้ยประเพณีส่วนเนี้ยไม่อยากให้มันหายไปเวลาใครประสบผลสำเร็จก็แสดงความยินดีด้วยความจริงใจแล้วก็พลอยดีไปด้วยอันเนี้ยเป็นเรื่องราวของสิ่งที่จะนาเสนอเีกว่าเป็นธรรมะก็ได้เป็นคุณธรรมประจำใจคุณธรรมแปลว่าอะไรคือคุณงามความดีมีอยู่ในใจใครใจนั่นก็จะมีความสุขความสุขหาได้ง่ายๆโดยการแสดงความยินดี มันตรงข้ามกับอิจฉาลิษยาถ้าคนแสดงความยดีไม่ได้แปลว่าอิจฉาลิษยาอิจฉาลิษยาเนี่ยจะมีความสุขไหมคนคิดอิจฉาตาล้อนนอนไม่หลับไม่มีความสุขถ้าคนที่แสดงความยดีจะมีความสุขเนี่ยจะว่าไปแล้วคือธรรมะในะจิตใจเราเองคุณธรรมธรรมะเนี่ยไม่ใช่เรื่องเมื่อสองพันห้าร้อยปีนะไม่ใช่นะเป็นเรื่องปัจจุบันเป็นเรื่องชีวิตในปัจจุบัน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 ปีใหม่อย่านึกแต่เรื่องฉลองอย่างเดียวอย่าฉลองปีใหม่อย่างเดียวปีใหม่เราต้องคิดทบทวนว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยอะไรดีอะไรไม่ดีสนหรับเราอะไรดีก็เก็บไว้อะไรไม่ดีก็พยายามตัดลดละเลิกไปซะเราจะจะมีชีวิตใหม่ปีใหม่ต้องนึกถึงชีวิตใหม่ชีวิตจะใหม่ด้นั้นจะต้องมีวิธีคิดที่ใหม่ถ้าไม่คิดใหม่ในชีวิต่ใหม่นะ เริ่มต้นจากวิธีคิดใหม่ๆไปคิดเรื่องความทุกข์เรื่องความโกรธเรื่องความรักเรื่องความเศร้าเก่าๆ เ, เดิมนี่มันไล้สาระแล้วมันหมดสมัยแล้วหมกบุนอยู่กับความรักหมกบุ่นอยู่กับความทุกข์มันลาสมัยแล้วมัวแต่ไปคิดอย่างนั้นนะ่ะเมื่ออย่างเอาของเก่ามากินอะ่ะเอาของเก่าในตู้มาอุ่นกินบางทีมันบูดมันเสียเตะท้องเรื่องเก่าๆทุกเก่าๆอย่าไปหมกบุน อย่าไปวกวนเวียนแต่เรื่องสิ่งเดิมๆอย่าไปย้ำในสิ่งเดิมๆเมปลี่ยนวิธีคิดสมัยถือว่าความทุกข์ความเศร้าความหลงให้มันล้าสมัยไปแล้วชีวิตใหม่มันต้องมีความสุขจะมีความสุค น, นั้นจะต้องปเปลี่ยนวิธีคิดจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอย่าไปคิดว่าโอ้นี่เราแย่แล้วไม่ไหวแล้วมันก็เหมือนเดิมอยู่เดียวทำงานไปก็เบื่อก็เซง็ง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 สติเนี่ยจะทําหน้าที่ระลึกได้ทําให้จิตใจไม่เลื่อนลอยไปไหนเมื่อมีสติจดจ่ออยู่กับการใช้ชีวิตเนี่ยชีวิตก็จะไม่ค่อยผิดพลาดชีวิตไม่ผิดพลาดเมื่อมีสติกดจอกับชีวิตเราแล้วเนี่ยมันจะมีสมาธิมีสมาธิเพลินอยู่กับการทํางานเพลินอยู่กับการใช้ชีวิตชีวิตจะเริ่มผ่อนคลายเพราะอยู่กับปัจจุบันอย่างตอนเนี้ย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 จิตมันจะไม่ปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปในอนาคตรหรือในอดีตจิตจะเริ่มผ่อนคลายมันจะไม่เครียดนะมันจะมีความสุขนะสุขภาพจิตจะดีเลยเพราะฉะนั้นอยากจะมีความสุขต้องเปลี่ยนวิธีคิดสมัยให้มีสติอยู่กับเนื้อกับตัว น, นี้เป็นตัวปฏิบัติอันนี้เป็นการปฏิบัติทำก็ได้นะการวิสติรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยเป็นการปฏิบัติโดยที่ไม่ต้องบวชไม่ต้องไปวัดเลยแล้วได้บุญทุกวันด้วย โรคก็ไม่ช้ำทาก็ไม่เสียเป็นประโยชน์ทั้งทางโลกทางธรรมคือการมีสติรู้สึกตัวยอยู่เสมอๆในการทำการพูดการคิดอันนี้ลนะ่ะชีวิตจะเปลี่ยนแปลงใหม่จะเริ่มเข้าใจตัวเองมอาก่งขึ้นเวลามันคิดรักก็รู้อ๋อนี่รรักนะเวลามันโกรธก็รู้ว่ามันโกรธรู้เท่าทาันจิตใจมันจะไม่ติดอารมณ์อะไรนานนะคนที่ติดอารมณ์รักนานๆติดอารมณ์โกรธนานๆนีนราคาสตินะ มีสติแล้วเนี่ยมันปลดปล่อยเลยมีสติรู้ตัวแล้วเนี่ยอารมณ์ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้ทุกเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อทุกเกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยอะไรเกิดขึ้นแทนรู้ไหมัมนก็มีความสุขพอเกิดความทุกข์รู้ทันอ๋อ น, นี่มันทุกข์แล้วจิตจะเปลี่ยนละมันจะกลายเป็นสุขเข้ามาแทนที่นะอันเนี้ยเป็นการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทํางานก็มีความสุขเมื่อจิตใจมันดีเนี่ยมองอะไรอะไรมันก็ดี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 เลือกแบบมีความสุขหรือทุกก็เลือกได้แต่เราเลือกแบบมีความสุขใช่ไ่ไมอันนี้เป็นเคล็ดลับ ง, งานเลือกไม่ได้แต่ความสุขในเราเลือกได้ทํางานด้วยการปฏิบัติธรรมคือการมีสติเสมอเสมอเขาจะบอกว่าถ้าอยากจะมีชีวิตที่ลุ้งลอดลุ้งเรืองที่มีความสุขนั้นต้องมีชีวิตด้วยการมีสติอยู่เสมอเสมอเป็นการปฏิบัติธรรมคนที่ชังธรรม คือผู้เสื่อมคนที่ไข่ในธรรมคือผู้เจริญอันเนี้ยพุทธเจ้าตัดเอาไว้นะถามได้นะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องการครับเวรกรรมไม่มีจริ่งไหมเวรกรรมมันก็มีซิก็จะบอกว่าถ้าเราทําดีแล้วก็ใช่ว่าเราสร้างกรรมดีกรรมนี่เป็นกรรมกลางๆนะจะถือว่ากรรมนี่เป็นกรรมไม่ดีเสมอไปนะ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 คือไปดีแบบ ก, กับตัวเขาด้วยแล้วก็ทําดีส่วนผลนั้นมันดีอยู่ในตัวแล้วแต่ว่าเขาจะดีอย่างเราที่คิดที่ทํามันไอ้คืออยู่อีกวาระหนึง่งมันมีจริงทําดีมันก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วมีจริงเนี่ยผมระยะหลังเนี่ยเข้าไปในเรือนจําบ่อยไปสอนไปแนะนาําไปเป็นเพื่อนกับผู้ต้องขังพวกนั้นเน่ยเขาก็ทําไม่ดีมันทั้นั้นเลติดคุกติดตลาด บางคนนี่ฆ่าเขาด้วยความโกรธชั่ววูบเพื่อนด้วยนะแค่โกรธชวนเพื่อนไปดื่มเหล้าเพื่อนไม่ไปนะเขาช้อนซ่อมแทงนะตายเลยติดคุกสิบห้าปีอดทนกับความโกรธเพียงห้านาทีทนไม่ได้ต้องไปทนในคุกสิบห้าปีนะมันคุ้ ม, มไหมนช่ปะเขาก็ยอมรับอันนั้นคือทําไม่ดีเอาไว้ก็ไปรับผลแบบนั้นก็จะบอกว่า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 รอถึงชาติหน้าเปล่าครับอขอบคุณมากน้องชายมีน้องมาคุยกันนี่ก้นชัวน่วหนะก็อธิบายไปอีกครั้งหนึ่งการรอผลของการดีกัมชวนนั้นไม่ต้งองรอชาติหน้าหรอกชาติหน้าเป็นผลระยะไก่สมมุติว่าเราฆ่าคนตายวันนี้นะตำรวจยังจับเราไม่ได้แต่ใจเราเนี่ยมันจะมีความสุขไหมแล้วก็ทุกข์แล้วนอนไม่หลับ มันเริ่มจากที่ใจเราก่อนเลยอันนี้แหละคือผลออกแล้วผลไม่ดีออกแล้วแต่ต่อไปเนี่ยตำรวจจับได้เราก็ต้องไปรับผลอีกครัง้งนึงในคุกในตราดถ้าเราทําแล้วเนี่ยมันได้ลผลทันทีเลยไม่ต้องรอต่อชาติหน้าส่วนผลในชาติ น, นั้นนั่นอีกตอนหนึ่งเพราะฉะนั้นทําปั๊บได้ทันทีเลยไม่ต้องรอส่วนการรอนั้นบางทีคนที่รออยู่เนี่ย มื่อทีคิดว่าจะรอส่งผลติดคุติหลัไม่ใช่แล้วมันกลายเกินไปแล้วทันทีที่เราคิดดีเนี่ยใจเรามันก็ดีแล้วส่วนบางทีเราไม่ทําอะไรเลยแต่ใจมันดีแล้วมันต้องมีการลงมือกระทําผลยิ่งออกมาเพราะฉะนั้นทําดีมันดีอยู่แล้วในตัวแยกมา น, นั่งฟังเนี่ยทุกคนนั่งฟังเนี่ยอันนี้ดีนะเนี่ยแต่ผลความรู้จะเป็นไงนั้นขึ้นอยู่อีกตอนหนึ่งเมื่อ เ, เราจำเราจําเรื่องราวได้ที่จําไม่ได้ก็ไม่เป็นไร แต่เรามาทําในส่วนนี้แล้วสัมมนาแล้วฟังแล้วเนี่ยมันดีแล้วเดีก่อนไม่ต้องรอว่าเราฟังวันนี้ชัดหน้าเราจรึงเข้าใจทําเดี๋ยวนี้ก็เข้าใจเดี๋ยวนี้เลยส่วนผลนั้นมันขึ้นอีกตอนหนึง่งเราจะเห็นว่าคนที่โกงกินประเทศโกงเราดูแล้วเขามีความสุขมีเงินมากมายแต่ในส่วนลึกนี้นเขาไม่มีความสุขหรอกในส่วนลึกเขาไม่มีความสุขคนที่หนีเนื้อมือตํารวจได้นั้น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 ทุกอย่างต้องมีการแตกทําลายภายัยวิบัติต้องมีขึ้นแน่จะช้าหรือจะเร็วเท่านั้นเองเพราะตอนนี้มีสิ่งที่บอกเสริฐไว้ว่าน้ําแข็งขั้วโลกเริ่มละลายโลกก็ร้อนขึ้นเห็นไหมทั้วเนี้ยร้อนขึ้นนะแต่ก่อนเนี่ยเราเคยถอดเสื้อเดินกลางแจ้งไม่เหนื่อยไม่ร้อนแต่ทีนี้ถอดไม่ได้นะมันร้อนเลีย ว, ว่าโลกมันร้อนขึ้นมีแน่นอนจะช้าหรือจะเร็วก็ตามอันนี้มีความเชื่อ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 มันยิ่งปลอดภัยไงถ้าใครกลัวใครวิตกกังวลทำความดีมากๆไปการสะสมเอาไว้ถ้ายิ่งฝึกสติมาดูตัวเองมันจะเริ่มเข้าใจตัวเราเข้าใจโลคทุกสิ่งอย่างมันจะเกิดปัญญารู้แจ้งมันจะไม่กลัวอะไรทุกสิงอย่างเวลาจะเกิดอะไรขึ้นมีนะแต่ว่าเตรียมตัวไว้ทําความดีวไว้ละความชั่วทําความดีชีวิตจะรอดได้